ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดลการธรรมะที่จะกล่าวในวันนี้จะได้พูดเรื่องสีหสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยคำถามของท่านสีหเสนามปฏีครั้งหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ เ, เชจตะวัน ทันสีห์เสนาบดีซึ่งเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ได้เข้าไปข้าวพระพุทธเจ้าโด้วกราบทูลถามว่าพระผู้มีพภาคเจ้าสามารถพยากรสถานะของบุคคลผู้ให้ทานกับไม่ให้ทานได้หรือไม่ ทูตเจ้ารับสั่งตอบคำถามของท่านเสนาบดีด้วยวิธีการตั้งตัวอย่างสมมติขึ้นมาสองคนว่าคนหนึ่งเป็นคนไม่มีศรัทธาเป็นผู้สนิทชี่เหนียวเป็นผู้สนิททีเหนียวแล้วก็เป็นคนที่พูดส่อเสียด กับอีกคนหนึ่งเป็นคนมีศรัทธาเป็นทาน บ, บดีคือเป็นใหญ่ในการให้ทานยินดีในการส่งเสริมสนับสนุนระหว่างคนสองคนนี้พระราหันทั้งหลายเมื่อจะเข้าไปหาท่านจะเข้าไปหาใครสเสียเสนาบดีก็ตอบว่า กานตั้งหลายก็จะเข้าไปหาคนแรกแล้วก็ตั้งคำถามนี้ไปเรื่อยๆรวมแล้วก็เป็นหกข้อด้วยกันซึ่งท่านเสียณาเสนาบดีก็ตอบถูกต้องไปตามลำดับคนนี้ท่านสาธชนทั้งหลายจะสังเกตว่าเป็นวิธีการเทศน์นอย่างหนึ่งคืออย่างที่บอกว่า การแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าคืนแนวหนึ่งคือแสดงเองก็เรียกวเอกัอ ง, งสะพยากรเป็นการส่งชี้แจงอธิบายไปโดยนิยะดใดนิยะหนึ่งเันบาปก็บาปจริงบุญก็บุญจริงทุกข์ก็ทุกข์จริงสุขก็สุขจริงสมุทัยก็สมุทัยจริงนิโรธก็นิโรธจริงจะไม่มีการแสดงเป็นอย่างอื่นเจอกี่ครั้งก็อย่างนั้นเนี่ย แล้วข้อความเองก็จะซ้ําๆทั้งโดยอัฏฐะทั้งโดยพยัญชนะเจนว่อพูดถึงทุกข์ก็ชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ก็อย่างนี้ทุกเจียเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยคือแสดงว่ามันเป็นเของมันอย่างนั้นคือเราไปแสดงอย่างอื่นไม่ได้ แสดงอย่างอื่นก็ไม่ใช่แสดงถึงสัจจภาวะคือความจริงของสิ่งเหล่านั้นอีกแนวหนึ่งนั้นเป็นการแบ่งแยกคือชี้ประเด็นมันพูดคลุมคุมไปไม่ได้เพราะมีประเด็นที่จะต้องมองหลายๆประเด็นที่จะตั้งปัญหาถามว่า คนดีจะมีความสุขเสมอไปไหมนี่เราตอบไม่ได้แต่ถ้าเขาได้ความสุขนั้นจะได้ความสุขจากการกระทำดีแต่คนเราไม่ได้มีเฉพาะกรรมดีมันมีกรรมไม่ดีอยู่ด้วยและกรรมไม่ดีนั้นอาจจะเป็นอดีตอาจจะเป็นช่วงวูบของอารมณ์ในขณะนั้นก็ได้ เันเวลาจะส่งยืนยนันก็ส่งยืนยันแบ่งแยกที่การกระทํามันขึ้นอยู่กับการกระทําของบุคคลเรานี่ยคือจะชี้ประเด็นไปเลยไม่ได้รู้ว่าคนเราตายแล้วเกิดหรือไม่เนี่ยมันมันมันชี้ไปไม่ได้เพราะมันอยู่ที่เงื่อนไขปัจจัยเพราะถ้าคนยังมีกิเลสก็มีกรรมม่กรรมก็ต้องเกิดแต่พระอรหันต์นก็เป็นคนเหมือนกัน คือคำถามเนี่ยมันมันไปนคลุมพื้นที่มากว่าพื้นที่เขามมกุฎเนี่ยมันคลุมหมดพระหานั่นก็เป็นคนพระพุทธเจ้าก็เป็นคนพระปฏิเจ้าก็เป็นค น, พ เ, น, คนเพราะงั้นใช้ข้ามมกุฎมาถามเนี่ยต้องแบ่งแยกตอบเมื่อเกิดเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะฮะเกิดความเข้าใจรัดกลุ่มหรือถ้าเรามองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งมันก็เกิดปัญหาขึน้น ก็คล้ายๆกับที่เมื่อข่าวเมื่อเช้าเนี่ยนะฮที่ปรากฏว่าในหลวงไม่สนับสนุนให้ขุดแม่น้ําเจ้าพญะสองซึ่งเคยพูดกันมาเมื่อประมาณสิบกว่า ป, ว ป, ปีที่แล้วโดยการผุดพูดเรื่องขุดแม่น้ําเจ้าพญาเนะี่ยพูดว่าน้ําท่วมแต่เมืองไทยไม่ได้มีเฉพาะน้ําท่วมมันมีน้ําแรงด้วยมันมีไฟแรงด้วยระาะนากระดูแรงเนี่ยคุณจะเอาน้ําที่ไหนมาทําเกษตรกรรมถ้าคุณเอาน้ําลงทะเลหมด นี่คือความคิดที่มองทุกแง่ทุกมุมแล้วก็เห็นว่าน้ําก็คือน้ําอ่ะน้ํามันอยู่ที่เราคุมมันได้ถ้าเราคุมมันได้เรากัเก็บไว้ได้ระดูฝนตกมาเราก็เก็บน้ําไว้ได้พอถึงคลาวแรงเราก็ขายออกมาใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าอาลังทะเลหมดมันก็เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ถ้ามองมุมเดียวก็มุมก็เปิดทิ้งทะเลหมดเลยน้ำํำจะแรงเร็วจะแห้งเร็ว ไม่ใช่นะฮะเดือนสองเดือนนี่เราอยู่ได้แต่ว่าถึงฤดูแรงทำางไงนี่คือคือลักษณะการมองมามองได้ครอบคลุมเนื้อหาตรงนั้นหรือไม่ถ้าเราจะไปยืนยันในแนวเดียวมันก็ไม่ได้นะฮะอย่างที่มีคราวหนึ่งที่ในการพูดถึงการขุดการสร้างแกงสเต้นนักอนุรักษ์ก็บอกว่า มันจะทำให้ราษฎรขาดพื้นที่เกษตรกรรมไปตลอดชีวิตพูดอย่างนั้นมันก็ได้แต่หมายความมาถ้าอย่างนั้นบ้านก็ไม่ต้องมีเพราะว่าบ้านนั้นสามารถจะปลูกพืชได้เยอะการปลูกบ้านจะทาให้เสียพื้นที่ทางเกษตรกรรมคุณยืนก็ไม่ต้องยืนเพราะตรงนั้นมันเสียพื้นที่เกษตรกรรมเลยไม่ต้องทอะไรอันนี้คือคือหมายความมามองมุมใดมุมหนึ่ง พูดแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้มันแก้ปัญหาได้เฉพาะจุดหนึ่งเท่านั้นดังนั้นวิธีการของพระเจ้าท่านจะไม่ตอบในแนวนั้นเพราะปัญหามันมีหลายแงย่แล้วไปไปไปไ ป, ไปยืนยันเพราะแง่ใดแง่หนึ่งไม่ได้แต่ว่าดีดจริงช่วยช่วยจริงทุกๆจริงสุดสจริงไอ้นี่มันของตายมันก็เข็มเค็มจริงเนี่ยเราบอกว่าเปรี้ยวไม่ได้พราหวานไม่ได้ตรงนี้จะใช้คาว่าแบ่งแยก ปัญหาตรงนี้ท่านจะเห็นว่าท่านเสียอเสนาบดีถามในทำนองต้องการจะทดสอบดูด้วยแล้วต้องการจะเทียบเคียงกับความคิดเห็นของท่านด้วยข้อมูลที่จริงมันไม่ยากข้อมูลที่เกี่ยวกับทานเนี่ยมันไม่ยากเพราะพระเจ้าจึงใช้แนวใหม่แนวที่สมเป็นว่าแนวที่หนึ่งก็ไม่ใช่แนวที่สองก็ไม่ใช่จะใช้แนวที่สามคือถามให้ตอบ ถามไม่ตอบและตทนเซียรทยมาก็ตอบไม่ลองสังเกตว่าตอบก่อนที่จะเทศนะฮะไม่ได้เทศเลยตอบแล้วเป็นปัญหาที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแต่คนไม่ได้มองตรงนั้นจากประสบการณ์เพราะนัเพียรแต่ว่าเธอดึงประสบการณ์นี้ขึ้นมาคิดด้วยแล้วกันก็สร้างสถานาการณ์สมมติขึ้นมาก็เรียกว่าตุ๊กตานะมีสองตัว เป็นอธรรมะไปพูดในลักษณะการกระทําเป็นพฤติกรรมถาวรของคนสองคนเขาจริงๆก็คือผ่านกับบัณฑิตหรือคนดีกับคนชั่วแล้วผลนั้นจะต้องพูดไต่ขึ้นมาจากสัมผัสตรงหมายความาเราพบเราเห็นในขณะนั้นนั้นก็เห็นกันอยู่ในขณะนั้นๆเพราะธรรมะไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องเก่าเรื่องที่บอกตะกี้ว่า เป็นธรรมะทิติคือมันตั้งอยู่ตามธรรมชาติก็มันเป็นธรรมนิยามก็เงื่อนไขกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันเป็นพืชชนยามมันเป็นชนิดเป็นชนิดเป็นประเภทเขาสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอุตุนิยามก็มีองค์ประกอบปัจจัยภายนอกแล้วก็อยู่ที่การกระทํา ม, มันก็เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้โดยอาศัยการกระทําแต่เปลี่ยนแปลงสิ้นเชิงไม่ได้เปลี่ยนแปลงบางระดับนี้ได้หรือพัฒนาได้สร้างสารรค์ได้ แต่ว่าทำลายตัวพื้นฐานเดิมเนี่ยมันไม่ได้เราอาจจะยืดอายุคนขึ้นไปได้แต่เราแก้ไม่ให้ตายไม่ได้อาจจะเจ็บน้อยลงอาจจะแก่ช้าลงแต่ก็ตายแน่ย า, า จ, จะดีพิเศษยังไงถึงถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เราก็ต้องตายอยู่ดีแก้เจ็บตายเราเราเราเราไปแก้ไม่ได้ไม่ใช่เกิดแก่ตายเนี่ยเราไปแก้ไม่ได้ แต่จเจ็บเนะี่ยอาจจะแก้ได้นะชะลอดได้ลดได้เพียงแต่ว่าไม่มีอะไรทำได้สิ้นเชิงนอกจากว่าไปตัดตัวเหตุคือเกิดถ้าไม่เกิดผลทั้งหลายมันก็ลมแนวหนึ่งที่จริงไม่ได้ใช่นะฮะอีกแนวหนึ่งเรียกว่าธัรมปัญญาคือไม่พูดพูดไปก็เท่านั้นเองไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา แล้วอาจจะสร้างปาัญหามากยิ่งขึ้นก็อย่าพูดแลหยุดปัญหาเจ้าแนวตรงนี้ท่านท่านท่านต่ า, นางหลายเห็นว่าผู้ควางรู้สึกรู้สึกรู้สึกมีส่วนร่วมท่านศรียาติเสนาบดีเองแต่ก็รู้สึกมีส่วนร่วมในได้คิดและแนวตรงนี้ที่เราที่เราเจออยู่บ่อยนะแนวของความไม่ต่างของวันน่าสีมัก็ใช้แนวถามให้ตอบ เราตึ้งแนวการค่าสัตย์ที่สองก็เด็กก็ใช้แนวถามให้เด็กตอบก็ไม่ตอบเองหมายความว่าคิดจากประสบการณ์ตรงหรือแม้แต่แนวการหลามาสูตรก็ใช้ให้ตอบนะครับเจ้าไม่ได้แสดงเพิ่มเติมคนเหล่านั้นตอบตอบจากประสบการณ์แต่ว่าประสบการณ์มันก็ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะฉนั้นเวลาตอบเข้าไปมันก็ถูกพระเจ้ามาสรุปตั้งข้อสังเกตหลักให้ทีหลังเท่านั้น นั่นในกรนี้ตัวอย่างความบกพร่องของคนสองคนเอาสามข้อเหมือนกันนะนะฮะคนหนึ่งก็คือไม่มีศรัทธาเป็นการเน้นถึงบุญกุศลที่มีความต่อเนื่องหมายความว่าบุญที่เราเรียกว่าทำเพื่อเกิดบุญน่ะพูดถึงอนิสงส์พูดิสงบุญพูดถึงผู้รับพูดถึงเงื่อนไขของสิ่งที่เขาให้แล้วก็พูดถึงคนที่รับ เพื่อถึงเจตนาในการให้ตรงนี้มันจะไม่เกิดเพราะว่าคนไม่มีศรัทธาศรัทธานั้นเมื่อเราขาดแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถน้อมใจเชื่อคือไม่ได้ใช้ทั้งแนวความเชื่อแล้วก็แนวความคิดบางทีจะพูดเรื่องศรัทธาบางทีจะพูดเรื่องปัญญาตอนนี้เมื่อไม่มีศรัทธาก็แสดงว่ามมีปัญญาด้วย คือว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราจะคิดได้เนี่ยใจเราต้องน้อมเชื่อสิ่งเหล่านั้นแต่ก่อนคือยอมรับสิ่งเหล่านั้นคล้ายๆกับเราจะพิสูจน์รสอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยฮะ เ, เราก็ต้องเอาอาหารนั้นมันดูซะ ก, ก่อนแต่ถ้าเราปฏิเสธตั้งแต่ต้นมันไม่ได้พิสูจน์รสไม่ได้กลิ่นก็พิสูจน์ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นอยู่ไกลตัวศรัทธาจึงขาดการยอมรับเมื่อขาดการยอมรับมันก็ยุติตรงนี้แล้วก็สนีททีเดียว สน่ที่เหนียวที่จริงเป็นอาการต่อมาจากศรัทธานะครับมาความเพราะไม่ศรัทธาจึงเกิดความสนีที่เหนียวคนเราจะสนีที่เหนียวยังไงก็ตามนะถ้าคนเดียวเาศรัทธาเนี่ยก็ให้นะแล้วคนที่เหนียวเนบางคนอย่างน้อยที่สุดแกก็เลี้ยงตัวแกนะแกก็ศรัทธาในตัวแกก็เลี้ยงดูครอบครัวอย่างน้อยก็เลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงอย่างน้อยก็เลี้ยงดูตัวเองะ น้อยก็ลิงดูตัวเองก็แสดงว่าศรัทธาในตัวเองเห็นความสำคัญกับตัวเองศรัทธายังอยู่ที่การยอมรับการยอมรับนับถือแล้วก็ศรัทธาถ้าเราไม่ยอมรับไม่นับถือเราก็ไม่ไม่เกิดศรัทธาพอตรงนี้มันก็มาเป็นรูปตรณทสนีทีิเหนียวก็คือมัจฉิยะท่านจะเห็นว่ามัจฉริยะนั้นมันเป็นอาการของอะไรก็ได้ ที่เราไม่ให้ไม่ให้อะไรแกใคร ใ, ครใครลองสังเกตดูนะถามว่าเรามีความรู้สึกต่อเขาอย่างไงบางที่เราอาจจะโกรธเราไม่ชอบเห็นไหมเราไม่ชอบก็แสดงว่ามันเกิดอาการโทรธสะอยู่ภายในใจต่อคนเราเกิดไม่ชอบต่อคนเราไม่ให้แต่บางทีเราก็เสียดายของเห็นไหมเกิดจากเกิดจากความโลภความห่วงความเสียดาย คนมันไม่มีปัญหาหรอกแต่เราจะได้ของเราก็ให้ไม่ได้เหมือนกันเพราะความสนิทที่เหนียวจึงเป็นอาการของโลภะก็ได้เป็นอาการของโธสาก็ได้แต่ถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นมาจากโมหะนคนะือความหลงความไม่รู้ในตัวบา ป, ปุลคุณตัวพวกนี้จึงเป็นอาการเฉยๆเป็นอาการเฉยๆเป็นสิ่งที่ทําปฏิกิริยาต่อจิตทําให้จิตไปให้ความสําคัญแก็บของ ซึ่งเของไม่เที่ยงนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าเทียบแล้วที่จริงบุญมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะแต่มันเที่ยงอยู่นานนะเหมือนกับกายกับจิตเนี่ยทั้งกายทาั้งจิตมันไม่เที่ยงแต่จิตเนี่ยไม่เที่ยงกว่ากายก็กายยังไงมันก็อยู่ได้หลายชั่วโมงหลายวันหลายเดือนแต่จิตมันไม่เที่ยงจริงๆบางขณะขณะขณะมันที่ยิบกว่าวันดาบได้เร็วกว่าคล้ายๆกับกระแสไฟ กับใบไม้นี่จริงๆไม่เที่ยงเดียวกันแต่ก็ใส่ไฟไม่เที่ยงมากกว่ามันเกินดับเร็วกว่าเพราะงั้นบุญบุญกับกับตัววัตถุเห็วนว่าบุญมันจะติดตามเราไปผ่านภพชาติเยอะอาจจะหลายแสนปีหลายล้านปีก็ได้แต่มันถึงจุดหนึ่งมันก็หมดเหมือนกันแก็หมดเหมือนกันแสดงว่าไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ว่ามันยั่งยืนกว่า ตัวนี้เป็นการพูดระดับโลกียธรรมเป็นการเสนอ้คนเลือกสองอย่างว่าสิ่งหนึ่งก็ไม่เที่ยงสิ่งหนึ่งก็ไม่เที่ยงแต่สิ่งหนึ่งมีอายุการใช้งานใดมากกว่าเธอจะเลือกออนไล์เพราะบุญที่จริงเขาเรียกว่าเป็นวัตกรมีคือสิ่งที่อิงอาศัยในการท่องเที่ยวในสังสารวัฏเท่านั้นเองนะฮะพอถึงนิพพานต้องทิ้งบุญเมกกื่อกนนะ่เอาบุญไปด้วยไม่ได้ แต่เพราะเราขาดปัญญาในการพินิจพิจารณาเราจึงติดในของซึ่งมันเปือยหน้านะฮะของเปือยเน่าของบางอย่างระยะอายุการใช้งานมันนิดเดียวแต่เราก็ไม่ให้คนทำให้เราเสียโอกาสที่จะครอบครองทั้งสองอย่างคือบุญเราก็ไม่มีโอกาสครอบครองสิ่งนั้นเราก็ครอบครองได้ระยะนิดเดียบุญก็ไม่ได้ของก็ต้องทิ้งก็เลยจบ เพราะโมหะมันปิดบังเอาไว้ก็ก่อให้เกิดเป็นมัจฉริยะคือความเจตนาความเจตนาที่จริงมันเป็นอาการนะฮะเป็นอาการของโลภะโทสะโมหะอาการต่อไปคือพูดเสียดแทงหรือโสเสียดโดยใช้คำแปลกด้วย น, นะครับหมายความว่าพูดเสียดแทงที่จริงมันไม่ิงมันไม่ใช่เรื่องโดเสียดแต่ว่าเป็นเรื่องเกิดบาดหมางใจเกิดกระทบกระทั่งทางใจ ส่วใหญ่อาจจะเกิดจากความโกรธความริษยาความแข่งดีนะความดูหมิ่นก็แล้วแต่คนถ้ามีความรู้สึกต่อคนอื่นในลักษณะนี้การพูดนั้นจะกระทบใจคนอื่นเช่นดูหมิ่นเขาก็จะกระทบใจเขานะแข่งดีกับเขาก็จะทบใจเขาโกรธเขาก็กระทบใจเขาริษยาเขาก็กระทบใจเขาดีเสมอเขาก็กระทบใจเขาแสดงแรงแสดงว่าใจมีปัญหาใจไม่ ใจเศร้าหมองนะฮะให้เราสังเกตว่าใจเศร้าหมองวาจาก็เป็นทุจริตกายก็ทุจริตตามไปก็เป็นอาการสะท้อนเฉพาสามอย่างนะฮะสะท้อนเฉพาสามอย่างแต่อย่าลืมว่ามันไม่มีธรรมะจริงๆตัวใหญ่มันเริ่มจากไม่ศรัทธาเพราะว่าในกรณีนี้สามอย่างที่จริงคืออย่างเดียวใจที่ไม่มีศรัทธานำไปสู่ความสนิทที่เหนียว นะะพระใจที่สนิทที่เหนียวพระใจที่ไม่สถานั่นเองก็นำไปสู่การพูดเสียแทกคนเหล่านี้คนใกล้ก็ต้องการจะถอยหา่างไม่ต้องพูดถึงว่าคนคนคนค น, คนที่ไม่กล้คนที่อยู่ไกลคนที่อยู่ไกลก็ไม่ต้องการจะเข้าใกล้านประหารทั้งหลายเมื่อจะเข้าไปหาคนคนประเภทนี้ท่านไม่ไปพอไปแล้วจะไม่ได้ประโยชน์อะไร เราจะเห็นว่าบางทีแม้แต่จะไปทรมานไปฝึกปลือคนนะไปดัดนิสัยคนมันก็ต้องดูเวลาว่าดัดได้หรือยังอย่างที่เคยเล่าอย่างเรื่องมัชชริยะโกสยาเศรษฐีที่ท่านสนีขนาดว่าจะกินขนมเบื้องต้องเอาไปทอดบนปราสาทชั้นที่เจ็ดพอไปทอดมากบเมียตัวเองก็จะไม่ให้กินเน่เมียวางแผนจะทอดเลี้ยงคนหมดทั้งตอกเพราะโกรธใหญ่ เลี้ยงไปเลี้ยงมาเหลือจะพอครอบครัวนะก็ยังไม่หยอกเลีเ้ยงสองคนก็ไม่หยอกไม่มีอะกินนะแต่จะให้เมียทอดให้ตัวเองกินแล้วพวกเรคนอื่นจะเห็นก็เอาขึ้นไปทอดเป็นประสาชั้นที่เจ็ดพระเจ้าต้องส่งพระโมกขลานะไปทรมานดัดสันดานแต่กว่า จ, จะถึงวันนั้นได้ยึงพระเจ้าก็รอมาเยอะก็รู้จักแก ม, มานานแล้วนะฮะ เด้ว ต, ตอนนั้นยังกระดา้างยังเสนีชีเนียรุนแรงแล้วถ้าไม่มีวิธีไม่ดีเนี่ยแทนที่แกจะใจจะอ่อนโยนเนี่ยเกิดกระด้างขึ้นมาเกิดด่าว่าพระอรหันต์ระบาวกันใหญ่เลยทีนี้ยุ่งกันใหญ่พราะั้นก็จึ ง, จ, ง, จ, ง, จ, งจึงต้องรอความพร้อมหมายความว่าสามารถไม่มีศรัทธาสามารถน้อมให้เกิดศรัทธาได้แล้วก็ต่อไปตนีมันก็ขจัจได้ เรื่องนี้ก็จบลงด้วยแกก็เลิกกินขนมเบื้องไงนะเลิกกินขนมเบื้องก็เอามาถวายพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ทั้งหลายในวัดพระเวิรุฬห์มดแต่ว่าต้องดูที่ความพร้อมเมื่อก็องคุริมาอะไรก็ได้ก็เหมือนกันนะนะ ท, ที่จริงพระเจ้ารู้มานานองคุริมาพระเจ้ารู้จักเด็กๆอ่ะรู้จักมาตั้งเด็กๆเราเป็นลูกของค้าข้าพุทธหิตอุบาสกอยู่ที่ประเชตะวัน คุณเจาก็เห็นมาตั้งเด็กๆ ต, ตอนก็เป็นโจทย์จริงๆก็ก็รู้นะฮะแต่มันไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมมันทาไม่ได้เห็นไหมเรื่องเรื่องศรัทธาจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้ายังไม่พร้อมที่จะศรัทธาเนี่ยทําไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะฮะสอนก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้เทศก็ไม่ได้คนอี่กลุ่มหนึ่งทรงเริ่มจากการมีศรัทธา การมีสรทธาแล้วก็มันก็ท้อนออกไปเป็นทานบดีคือเน้นในการให้ท่านท่านหลายจะลองสังเกตว่าท่านใช้คำว่าฐานะบดีทานะ บ, บดีเราไม่ค่อยได้ยินนะฮะบ้านเราเราก็ไม่ค่อยเรียกฐานะบดีคือคนในสมัยนั้นเน่ยมันสุดอะ่ะมันสุดสุดขั้วคือนรกกับสวรรค์มาอยู่ด้วยกันเนี่ยจนก็จนสุดสุดที่นอนอยู่กลางดินกินกลางสายเศด็จีกว่าโอ้โหอยู่ปรส า, าสาทมหาศาล เราพบภิกษุณีบางรูปเป็นกุลธิดาที่อยู่บนปราสาทตลอดโตบนปราสาทเลี้ยงกันอยู่บนปราสาทไม่ได้ไปไหนนักขัตฤกษ์ทีหนึ่งมีบริษทัทบริวารเคลียพื้นที่กว่าจะเดินทางได้โอ้มันมหาศารมากเป็นยุคที่ที่เล่นวัตถุกันแรงคนรวยทรัพย์นับไม่หวาดไม่ไหวมันมันเยอะอนาทบินทิกาเศรษฐีเองก็กมีลักษณะอย่างนั้น ทีนี้พอท่านรวยเนี่ยท่านท่านไปพเพาะเผียมากท่านก็คิดถึงคนจนท่านสร้างโรงทานก็เรียกทานบดีทานนบดีคือเป็นใหญ่ในการในทานตั้งโรงทานโรงทานยังเป็นกิจจวัตรจะเป็นการตอกย้ำมากเพราะว่ามานั่นคืองานสังคมสงเคราะห์ที่ที่สังคมจะเป็นจะต้องช่วยกันใกล้ๆกับตอนนี้น้ำน้ําท่วมเนี่ยเรียรายกันทุกวันกรมกรประชาธรรมฝันก็ประกาศอนุมันาทุกวันมันสภาพสังคมมันเรียกร้องเรียกร้องให้คนคิดถึงคนอื่น เศรษฐีเหล่านั้นเป็นเศรษฐีที่มีความโน้มเอียงแต่อย่าลืมนะไม่ใช่ทั้งหมดหรอเขาเรียกฐานนบดีท่านตั้งโรงฐานท่านก็ให้ฐานนท่านก็ให้จนจนจ น, จนไปที่ยอมรับบางคนให้มากจนชื่อเสียงปรากฏอย่างท่านอนาตบินิกาเศรษฐีนี่จริงท่านถ้าไม่เชื่ออนาตบินิกาเศรษฐีท่านชื่อสุทัตต์สุทัตต์แปลว่าให้ดีแล้วนะจริงๆก็แปลดีเหมือนกัน แต่าชาวบ้านเรียกว่านาถาบินทิกะบินทิกะก็คือก้อนข้าวท่านผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาหมายความมาแจกทานแจกทานเพื่อคนยากจนกรสุนตนาถาเป็นเงื่อนไขปัจจัยต่างสังคมเพราะงั้นใครที่ทําอย่างนี้ต่อเนื่องเรีเรยกว่าทานบบดีทาน บ, บดีก็คือยินดีในการสนับสนุนตรงนี้แปลกใช้คําแปลกยินดีในการสนับสนุน หมายความว่าจิตใจจะอ่อนโยนต่อคนทั้งหลายเป็นลักษณะของพื้นฐานหมาหบุรุษที่มองเห็นความทุกข์ของบุคคลอื่นเหมือนความทุกข์ของตัวเองและจะทนต่อความทุกข์ของบุคคลอื่นไม่ได้นะฮะลักษณะหมาหบุรุษพระโยน์สุก็จะเสียสละประโยชน์สุขของตัวเองเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนอื่นหมาหบูรุษทั้งหลาย้างก็เป็น ไม่ไม่ไม่ใช่หมาบูรุษคือหมาบุรุษเป็นคำรวมนะหมายถึงหมาสตรีด้วยนะแต่ว่าเป็นเป็นภาษาเด็กเขาเรียก เ, เรียกหมาบุรุตนะนามวิสาขาอะไรแต่ใดก็ลักษณะอย่างนั้นก็ เ, เรียกอัตยาสายหมาบุรุษอัตยาสายหมาบุรุษเป็นคนที่จะจิตใจจะอ่อนไหวด้วยความกรุณานะมุ่งสงเคราะห์นกเคราะห์เขาเพื่อจะยินดีสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือคนอื่นนะบางทีให้กันจน แม้แต่วัยวะร่างกายเราเห็นว่าทานเห็นทานทานเนี่ยนเนยอาไว้สละวิญญาร่างกายจนถึงสละชีวิตสละชีวิตเป็นทานบารมีทานวัวบารมีทานาปรมาตุบารมีก็ทํากันมากค น, คนสองคนนี้เมื่อพระหรหันทั้งหลายจะเข้าไปหาคนสองกลุ่มนี้นะเมื่อพระาราหันทั้งหลายก็จะเข้าไปหาก็จะเข้าไปหาคนกลุ่มที่สอง นะซึ่งถึงท่านเสนาศิหเสนาบดีจะตอบกลุ่มที่สองตลอดทั้งหกข้อนะประการต่อไปเนื้อหาเหมือนกันค น, คนออสองกลุ่มนี้เหมือนกันนะเมื่อพระอราหันต์ทั้งหลายจะสงเคราะห์สงเคราะห์ในที่นี้คือธรรมะสังกัดคือการสงเคราะห์ด้วยธรรมโคร ง, งสร้างสังคมมีคนก็ถามว่าปีนี้อาจารย์ไ ป, ไปท่อกรตินที่ไหนบอกไม่คือท่อกรติน ทำไมไม่ทอดละ่ะทอดกรถินเรื่องชาวบ้านมันจะเรื่องของพระพระเรามีหน้าที่ธรรมทานเราไม่มีหน้นทรร า, นานนที่อาภิษฎทานมีรสตังจากไหนมาให้ทำก็ทําคนละทานน่ยชาวบ้านก็ทําทำํทำอามิษฎทานไปพระก็ทําธรรมทานไปก็ทรงโสในรูปของธรรมสังฆาห์แวว่าการสงเคราะห์โดยธรรม แต่ทีนี้ถ้าเขาไม่มีศรัทธาเนี่ยเรายกตัวอย่างพระเทเรสที่มีชื่อเสียงโด่งดังสององค์นะฮะท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินพระนักเกษมกับพระโมคกคลีบุตรพระมคกคลีบุตรนั้นที่จริงคล้ายๆกับเป็นบุคคลที่เขาสร้างขึ้นเป็นแนวที่แปลกเหมือนกันหมความว่าพระหานทั้งหลายในคราวทุติยสังขัยนาะในครั้งที่สองประมาณร้อยปีนะครับ แล้วท่านก็มองเห็นศาสนาไครที่จะเกิดขึ้นแก่ศาสนาหลังจากนั้น200ปีเพราะเหตุการณ์โลกเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นปกติหมายความไม่ไปเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์อะไรสักกฎหนึ่งเนี่ยศาสนาจะพังเลยศาสนาจะอยู่ไม่ได้ไม่มีคนแก้ปัญหาศาสนาเมื่อก็มองเห็นว่าใครใครสามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ไปเชิญติสสะเทพบุตรให้จุติจากสวรส์ เพื่อมาช่วยแก้ไขศาสนะไปเกิดยังไงมันเกิดสกุลมิจฉาทิฏฐิก็มีพระสองรูปรับผิดชอบในการที่จดึงเด็กจากสกุลนี้ออกบวชนะฮะใช้เวลาเดินหน้าบ้านนี่นะเจ็ดเจ็ดปีเดินไปเดินมาเจ็ดปีสร้างความคุ้นเคยสร้างความรู้จักให้เด็กไม่เห็นนะฮให้เด็กเห็นนะนั่นเองเพราพ่อแม่ก็ไม่สะท้าพ่อก็ไม่สะท้าแม่ก็ไม่สะท้า แล้วไม่พูดด้วยไม่มองหน้าไม่พูดด้วยมาถึงวันในปีที่ครบเจ็ดนะ่ะมังคุ้คคนๆะน่ะคงเห็นเดินมาตั้งนานแนละ้วเดินจงลูกลูกโตเจ็ดขวบแล้วก็บอกว่าพระคุนเจ้าไปโปรดข้างหน้าเถอะมันได้คำคือปรารบเรื่องที่จะพูดได้ทำให้ทาให้มีเรื่องที่จะพูดได้แล้วก็ไปเดินสวนกับสามีเขา พัญญานะฮะบอกพระกุญเจ้ในมนโฑิดขนายสามีก็เกิดจากใจอ่อนโยนขึ้นมาเพราะเดินพบพระนี้มาตั้งเจ็ดปีแล้วนะทุกวันด้วยนะก็สอบถามถามว่าได้อะไรจากบ้านนี้บ้างก็บอกว่าได้แล้วไปรีบไปถามพัญญาไปให้อะไรพระอะไม่ให้อะไรนี่ ไม่ได้อะไรก็โกหกสิกวิ่งตามมาอีกถามบอกไหนบอกว่าได้อะไรบอกว่าอัตมาเดินมาเจ็ดปีไม่เคยได้เลยวันนี้ได้ได้คํานิมนต์ว่โปรดไปข้างหน้าเือโอ้โหพระนี่น่านดูนะขนาดพูดคําเดียวเนี่ยสำนึกคุณนล้วท่านก็รู้สึกเป็นมิตรเลนะรู้สึกเป็นมิตรโอ้นี่ขนาดพูดประโยคเนี้สํานึกคุณแล้วยกย่องว่าได้จากเราแล้วเี่ถ้าเราให้สักข้าวสักทัพพีนี่จะเป็นขนาดไหนเอาเลยก็นิมนต์ตักไปเห็นไหมก็เริ่มสร้างความเป็นมิตรขึ้นมา จนกว่าเจ้าลูกก็ออกบวชได้เนี่ยานะานาะเพราะหน้าเกษณยณชาวิธีนี้เนี่ยแนวเดียวกันเนี่ยเดินไปเดินมาแสดงเลยนะไม่ศรัทธานี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเจ็ีตีอยู่ตัวเนี้ยนิดเดียวเองเตรงนี้จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่มากวพราถ้าตรงนี้ไม่ไปแล้วก็เลิกเลยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งแก่สามบดีพรมก่อนจะรับขามาราธนาเทศ เป็นประโยคสั้นๆ น, นะฮะแต่เราเห็นว่านั้นคือจริงๆเราต้องไปอย่างนั้นประตูอมตะเราเปิดแล้วตามคำอรัตนาของท่านชนทั้งหลายจงน้อมศรัทธามาหมายามว่าถ้าถ้าเธอไม่น้อมศรัทธามาก็ใกล้เกลืยกินดัางพระพุทธเจ้าจะไปจะทำยังไงไม่มีทางเนี่ไปช่วยอะไรไ ด, ได้แล้วก็แสดงในที่บางแห่งที่เราเห็นได้ชัดว่ตรงนี้ถือเป็นเรื่อใจ แฝ้เธอทั้งหลายจะเกาะชายจีวรของเราไปตลอดร้อยปีนะแต่ถ้าไม่ปฏิบัติทำทำสมควรกันทำแล้วเบิกกระทับผีทับผีที่ตักแกงจะไม่รู้รสชาติของแกงเปลี่ใจที่ศรัทธาคือต้องน้อมศรัทธาตรงนี้ได้แล้วมันจะกลายเป็นทานาปดีมียินดีสนับสนุนอะไรต่ออะมันจะไปก็มาแน่ น, นะจะขจัดมัจฉริยะจะไม่สอดเสียดเนี่ยมันก็เริ่มที่ศรัทธา เราศรัทธามันมันสร้างจิตให้ผ่องแผ่เราจึงได้ยินบ่อยจะมีการพูดกันว่าศาสนาเป็นเรื่องของศรัทธาที่จริงมันไม่เชิงนะศาสนาพุทธไม่จะปล่อยให้มาล้วนๆอย่างนั้นศาสนาพุทธจะต้องมีศรัทธาที่มีเหตุผลหมายความว่าต้องผ่านการกลั่นกรองการสรวจสอบการพินิษฐพิจารณาอย่างน้อยที่สุดระดับโยนิโสมรติการคือใช้ปัญญาระดับโยนิโสมรสิการหรือคิดโดยมีเหตุมีผล ก็สมก็แล้วแต่พื้นฐานก็การคิดเพราะงั้นพระอรหันต์ทั้งหลายไปายสงเคราะห์ด้วยด้วยอะไรอะฮะพระอรหันต์ที่บินบาตหน้าสองหน้าบ้านสองท่านนั้นที่จริงท่านเป็นพระอรหันต์นะแต่ก็สงเคราะห์ไม่ได้แปดปีสงเคราะห์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะนิดเดียวคือเขาไม่มีศรัทธาเรื่อมีศรัทธามันก็เดินเรื่องเดินจนโอลูกออกมาปดแล้วก็ลูกกลายเป็นหลักให้แก่ประสาทศาสนา แก้ไขปัญหาศาสนาได้นะฮะส่งธรรมทูตออกมาต่างประเทศบ้านเราก็ได้ฝีมือพระโมคคิลิบุตรเหมือนกันนี้ ก, ก็คือก็คือหลักที่เป็นรูปธรรมที่เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานตรงนี้จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่โดยเจ้าส่งออกมาเป็นตัวนําทั้งสองข้อคือมีกับไม่มีนะตัวใหญ่ก็คือศรัทธากับไม่ศรัทธาเพราะมีศรัทธาพระหันทั้งก็สมเคราะห์ได้สมเคราะห์ด้วยอามิด ท่านก็ไม่มีสรงเคราะห์ท่าก็บินตะบัดแต่ทรงเคราะห์ด้วยธรรมะธรรมะก็มีบายวิธีจะคุยกันก็ได้จะเทศก็ได้จะเสนอให้คิดก็ได้จะแลกเปลี่ยนความคิดก็เห็นก็ได้ก็แล้วแก่ว่าและแล้ว แ, ลแต่ว่าขนาดไหนถ้าเห็นว่าท่านศรัทธามากมันจะทําให้ปัญญามากคือความเชื่อมั่นในส่งนี้ด้คิดแต่จุดนี้อย่างพระสารีบุตรเห็นไหมพระสารีบุตรนี่ศรัทธาในาพระอริชีพมากเห็นปับ๊บศรัทธาปุ๊บไป เกิดเล่อมสายเข้ารบทันทีเลยเดินอิยาบทเดินตามมืนุูิษย์ตามอาจารย์ท่านๆได้ไปรู้จักกัน ต, ตัวเองเป็นนักบวชนะฮะท่านมาจ่าได้บวชนี่นักบวชก็คือนักบวชด้วยกันพระ า, าชยีก็คือนักบวชพระสารีบุตรเองตอนนั้นท่านก็เป็นนักบวชมันไม่ใช่ปัจจุบันนะนะหมายความว่าเหตุการณ์ยุคนั้นนะ่ะต่างฝ่ายต่างก็เป็นนักบวชด้วยกันแล้วก็สักดศีเท่ากันแต่ว่าพระอาจจะพระสารีบุตรท่านยอมกันติ ข้าไปปฏิบัติว่าถากสอบถามเหมือนกับลูกศิษย์ปฏิบัติอาจารย์พ อ, อถามพระอัศชรรย์จก็แส ด, แดงสองสองบรรทัดสองบรรทัดสั้นๆนพิจารณาจากจุดนั้นมันเชื่อมั่นแล้วคิดจากจุดนั้นคิดจากคำคำพูดสองคำไอ้อไม่ใช่สองบรรทัดรู้ว่าผลเป็นโซดาปันแล้วพอประโมคกขลานะ พระโมคคัลลาน่นเชื่อในตัวภาษาดิบุตรพอเห็นเออเพื่อนเราคงบรรลุธรรมแล้วพอดูหน้าตามผิดไปเยอะพอภาษาดิบุตรไปอ้างพระพุทธเจ้าอ้างพระอานาหารนะแล้วพระโมคคัลลาน่าก็เชื่อในตัวตัวภาษาดิบุตรอยู่แล้วพราอบรรลุธรรมพอบอกมาจากพระพุทธเจ้าพื้นฐานพระพุทธเจ้ามันมีอยู่ก่อนคนยุคนั้นพื้นฐานคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีแพร่กระจายตัวชมพูชมพูเป็นบุคคลในอารมกติของเ พอมากลายเป็นพลังผลักดันให้เกิดเป็นสามาอิ A, เกิดเป็นศรัทธาขึ้นมาโมกคลลานะก็ยืนฟัง อ, ง อ, งองีกสองมันทัดก็บรรลุมรผลเป็นพระอาหารหันต์นั่นเราจะเห็นพลังพลังตรงนี้มันเสริมเสริมให้ไปได้เร็วรไได้วยไปได้ช้าแต่ถ้า ม, มากมันก็ไปได้เร็วแต่คล้ายกับการสร้างอาคารที่ก้างล่างมันแข็งนะเก็บมันแข็ ง, ม, ขงมันก็สร้างตึกอะไรได้ได้แข็งแล้วก็ก็มั่นคง ที่พระเจ้าทรงแสดงโดยสรุปสัทธาสาธุปฏิติตาสัทธาตั้งมันแล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์คือสําเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการได้เพราะอันพระอาหารเมื่อท่านจะสงเคราะห์เราจะเห็นว่าวิธีการสงเคราะห์ที่จริงท่านสงเคราะห์หลายวิธีมันไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ในในระยะหลังเนี่ยในระยะหลังนี้ว่า ม, มีอะไรที่จะสงเคราะห์ได้เราจึงเห็นว่างานทั้งกลมสงเคราะห์ในแบบแบบพระพุทธศาสนา มันมีพระปิรินดวัชชาซึ่งเป็นพระาราหันเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารท่านท่านสํานึกบาปที่ไปรับปากจะถวายกุฏิให้แล้วก็ลืมจะสร้างกุฏิถวายพระปิรินดวัชชะแล้วลืมลืมมาตั้งห้าร้อยวันมีกว่าลืมมาเกือบสองปีดูไปลืมลืมหน้าดูเหมือนกันนะฮะลืมหน้าดูเหมือนลืมสองปีผลนึกออกตกใจมาก สร้างชดเชยสร้างกุฏิเป็นกระต๊อบนะสร้างให้ติดเดียวห้าร้อยหลังแต่กระต๊อบนะฮะกระต๊อบห้าร้อยหลังก็คงเกณฑ์กันไม่กี่วันนั่นนะสร้างแล้วกลายเป็นกุฏิเยอะเพราะปิรินทวชจะเอาไปให้เป็นที่อยู่ของคนยากจนเห็นไหมเป็นหมู่บ้านสงสมเคราะชาวคนยากจนมันมีแบบอะไรพระอาตหานันนั่นเนี่ยองเนี่ที่ยวปิรินทวชาขาบับเป็นที่สงเคราะคนยากจน แล้วก็มีตํานานที่เกี่ยวกับอะไรเด็กไปเทวดาเอาอาหารที่ไปใกินก็เด็กจาก บ, บ้านเนี้ยเด็กจากหมู่บ้า น, น, นาเนี้ยปิรินนวัจจคามจะเด็ ก, กจากชนเป็นเป็นชนพวกชนชั้นการมาชีพพวกหาของป่าพวกค้าขายพวกเลี้ยงโคอะไรแต่นเนี้ยงานสงเคราะห์สร้างบ้านให้ประชาชนนะให้ให้ให้บ้านแก่ประชาชนช่วยการชนประทานช่วยอะไรตัวไรเนี้ยช่วยช่วยเยอะเหมือนกันงานตอน ต่อมาให้ให้เราสังเกตว่าออกมาในรูปอมิตรด้วยออกมาในรูปวัตถุสิ่งของพอพระสงฆ์มีาาราชกัตราย์ขึ้นขึ้นก็ได้มีคนกินเดนคนกินเดนก็คือพวกประเภทขอทานอะไรต่างๆร่าไปฉลองที่ไหนได้อาหารเยอะสมัยนะั้นไม่มีเด็กวัดคนกินเดนก็แข่กันไปสิว่าก็ไปกินอาหาร้วไรนะก็เรียกคนเป็นคนกินเดนจะตามไปเป็นกระบวน เวลาพระไปก็ตามเป็นกระโบนชาวบ้านก็ตักบาตรให้พระพระท่านก็ฉันท้าที่ฉันนะพอฉันแล้วก็ล้างบาตรเก็บบาตรเนี่ยไม่ได้มีอะไรเก็บไม่ไม่ได้ไม่มีกุฏิที่อยู่อะไรอาหารเหล่านั้นก็แจกจ่ายให้พวกคนกินเด่นคุณกินเด่นก็อยู่กันได้แล้วก็กลายเป็นประเพณีที่มีเด็กวัดอะไรกันมาในปัจจุบันแต่ได้จริงสมัยนั้นไม่มีทำไมพระพุทธเจ้าเนไม่มีเด็กวัดนั่นก็แสดงว่างานสงเคราะห์มันก็กระจายออกไปตามพื้นฐานแต่ได่ ตั้งบรราถามว่าทําไมไม่สงเคราะห์ในเรื่องการรักษาพยาบาลเพราะพระไม่มีความรู้ทางแพทยม์มีความรู้ทางแพทย์เดียรักษาพยาบาลถ้าก็ตายแล้วเขาทำแต่เขาเกิดตายเกิดมาทำยังไงเพราะงั้นจึงมีกฎเกณฑ์ว่าถ้ามีความรู้นี่ก็ทําได้นะแล้วก็อยู่ในเวทวงเพื่อนพระมารีดโดยการมารดาบิดาในวงศาคณะญาติโยงวัตากาอเไรตัวใดก็ดูแลได้ดูแลไ ด, ด, ลได้เพราะว่า สมมติว่าเกิดเกิดตายขึ้นตามธรรมดาธรรมดาก็ ก, ก็ก็ไม่ได้ว่ากันนะนะรักษามันก็ไม่หายก็ตายงานส่งเคราะห์มันกระจายออกไปที่จริงกระจายมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนเกิดเป็นรูปที่มีอะไรการสร้างพระบุคคลบุคคลไมนะ่ได้แต่ไหนเนี่ยที่จริงก็เกิดเป็นงานสงเคราะห์งานส่งเคราะห์ของพระสงฆ์เกิดน้ำหลากเนะี่ยเกิดน้ำหลากขึ้นมาแล้วก็ถ้าปล่อยน้ํามันมาอย่างนั้นเนี่ยนะ น้ำจะท่วมบ้านราษฎรพระกัมมปติก็ขอพุท ธ, ธานุญาตใช้อิฐิริดใส่ธิริด ท, ทดน้ําก็เหมือนกับสร้างเขื่อนเนี่ยแต่สร้างเร็วกว่าของคุณกฤษดาเลยนี่ก็สร้างรวดเดียวก็ทดน้ำเอาไว้แล้วก็แยกน้ำนะฮะแยกน้ําไปในที่ต่างๆน้ําก็กระจายไปก็น้ําไม่ท่วมกุลเป็นงานที่ทํารู้กันเฉพาะพระพุทธเจ้ากับพระกัมมปติพอทําแล้วเรื่องก็เงียบนะฮะ คนก็หาคนทําไม่ได้เพราะว่าไปเตี้ยวอวดไม่ได้ไปเดี้ยวกูยุ่งไงฮะปัญหามันจะตามมาอีกเยอะเลยนี่ก็คือคือเราเราจะเห็นว่าพระอหารท่านสงเคราะห์แต่ว่าต้องสงเคราะห์คนที่มีศรัทธาเพราะถ้าไม่งั้นวัที่ก็เ พ, พิ่มบาปเยอะแต่งานแนวนี้ไม่ค่อยแปลกอะไรนะงานแนวเนี้ยงานงานแบบแบบวัตถุนี่ไม่เคยแปลกศรัทธ า, ม, าม่นศรัทธามันบำบัดทุกข์กันเห็นกันตรงนั้นเลยบทพาหุงข้อที่เจ็ดนะฮะ ข้อที่เจ็ก็คือการสังกลุ่มสงเคราะห์นั้นก็สัตวยานาคเบียดเบีย น, ร, ยนราษฎรพระม ก, กะุฎาณาบุรุษอยากให้พระมกุฎาณาไปจัดกา ร, แ, ากการแก้ปัญหาตรงนี้ แ, แสดงว่างานระยะหลังนี่ออกมาในแนวนี้เยอะสิ่งที่พระนนำมาสื่อสารที่จริงมันก็มีที่มานะมีที่มาสมัยพุทธกาลพระหัตถ์ท่านก็สงเคราะห์ตรงนี้ไม่ค่อยแปลกศรัทธาหรือไม่ศรัทธาไม่คยแปลกแต่ถ้าทำแล้วเนี่ต้องศรัทธาถ้าไม่ศรัทธาเทศไม่ได้สอนไม่ได้พูดก็ไม่ได้ การเข้าไปหาก็เข้าไปหาคนกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่มีมศรัทธาไม่สนีไม่ใช่ เ, เป็นทานบดีแล้วก็ยินดีสนับสนุนเมื่อจะสงเคราะห์ก็สงเคราะห์คนกลุ่มนี้เมื่อจะแสดงธรรมเด่นนะฮะเมื่อจะแสดงธรรมก็สืบต่อมาจากจากข้อที่สองว่าเมื่อเข้าไปหาเมื่อจะสงเคราะห์สงเคราะห์อะไรสงเคราะห์ด้วยการแสดงธรรมก็แสดงธรรมกับคนกลุ่มนี้ คำว่าแสดงธรรมโดยรูปแบบจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเทศไปต่างจังหวัดมาเพิ่งกลับมาเมื่อวานไปเห็นต่างจังหวัดวันนี้ชาวบ้านแต่งกันเทศได้พระเทศสอนชาวบ้านเยอะเลยเป็นกล่องเป็นกล่องเป็นกล่องกองโอ้โหก้าวหน้ากันเลยแล้วพระก็ไปซื้อไปอ่านน่ญาติโยงผ่านแต่คนคนเขียนมากกว่าดเป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านเป็นมหาเก่านะเป็นมหาเก่าก็เลยไปเขียนเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดพระก็นิยม เอาไปอ่านในชาวบ้านฟังแล้วก็ไม่ขยาดนะข้อความเนะี่ยค่อนข้างสั้นๆไม่ขยาดเท่าไหร่ก็ส่วนมากเอาไปใหพระใหม่อ่านนะ้ญาติโยงฟังในพรรษาญาติโยงก็มาดูลูกเขาดูลูกเขาบวชออกมาถึงลูกเขาก็อ่านกันเทศได้ฟังก็จะมีการเทศกันตลอดพรรษาถึงถือว่าเก่งนะฮะเก่งเก่งอย่าง นี่ก็คือรเราเห็นว่าการแสดงธรรมเนี่ยครับกาแสดงธรรมพื้นฐานต้องมีศรัทธาแต่มาหนั่นที่จริงคุยกันก็ได้นะคุยกันก็ได้ในในรูปแบบที่เทศในปัจจุบันเนี่ยมาว่ามันเป็นธุรกิจเยอะแล้วก็เป็นเป็นวิวัฒนาการเป็นพัฒนาการเป็นการสร้างสารรค์ของคนแต่ยุคแต่ละสมัยสมัยพุทธกาลไม่มีธรรมะ ม, มีธรรมะ ม, มีอัศนะผืนเดียวนะสมับนั่งแสดงธรรม น, นั่งแสดงธรรมบางทีนะก็มีแท่นหินอะไรต่ไหนนะครับเขก็วางคืออินเดียสมัยก่อนเขาเรียกว่าใกล้ใกล้โจเวตเทวันไ ล, ลกระหมือกระสานประภูมาอะไรต่างๆในอยู่ตั้งปนไม้นะฮะไทยเราก็รับวัฒนธรรมจากอินเดียมาในตัวนั้นจะมีพวกโจเวตมีที่ น, นั่งพระเจ้าก็ไปจะไปทับนั่งแถวแถวนั้นนะเทศ พระก็ได้เห็นองค์แต่อยู่ในวัดมันก็มีที่ปรร t h บให้คนเห็นแต่ว่าที่สำคัญยิางยิ่งก็คือคนต้องมีศรัทธาเมื่อแสดงธราารมรหัตถาก็แสดงธรรมแก่คนกลุ่มนี้ทีนี้ในแง่สังคมประครั้งต่อไปในแง่สังคมทรงตั้งปัญหาคนสองกลุ่มนี้เหมือนกันนะฮะคนสังกลุ่มนี้เหมือนกันว่า คนหนึ่งไม่มีศรัทธามีความสนิทที่เดียวพูดจาเสียดแทงคนหนึ่งมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีในการสนับสนุนเนี่ยสองคนกลุ่มนี้เมื่อไปในสมาคมต่างๆใครจะเป็นที่เป็นผู้ที่องค์อาจกา้าหาญสงา่างามในสมาคมเหล่านั้นนะก็แน่นอนอก็ดูง่ายนะะเราจะเห็นว่าเป็นประสบการณ์ที่ท่านเสียตินาบดีท่ า, านก็เห็นท่าก็เห็นนก็พราะท่า น, ก, นก็เห็นมา แต่ที่จริงๆก็คือสัมผัสตรงส่วนตัวของท่านเพราะท่านเป็นฐานอนดีทีนี้พูดถึงแงค่คนที่ไม่เห็นคนที่ไม่เห็นพูดถึงคนได้ยินเนนะฮะมันมันมันจะมีคนสามกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งเนี่ยสายตาของพระอระหันต์สายตาพระอระหรันต์ผ่านเข้าไปหาพระอรหันต์สงเคราะห์พระรน์รรแสดงธรรมในแง่ที่สองก็คือเมื่อเราเข้าไปในสังคม สังคมจะมีความรู้สึกมีปฏิกิริยามีท่าทีตลอดอย่างไรประการต่อไปก็คือว่าเกียรติภูมิที่มันที่มันแพร่กระจายพฤติกรรมถาวรซ้ำซ้ำซากซากไปที่รับรู้แพร่กระจายไปนในสังคมตัวคนนั้นไม่ใครเห็นตัวคนนั้นไม่มีใครเห็นแต่ได้เสียงเล่าถือชื่อเสียงเกียรติคุณจะแพร่ไปในรับขนาดใดคนสองข่ายเนี่ย สองกลุ่มนี้จะแฝ่ไปนักษาไรซึ่งซึ่งซึ่งง่ายอีกเลยนะเราเห็นว่าง่ายๆทั้งนั้นอันนี้คือคือห้าข้อนี้เป็นสิ่งที่เห็นกันได้ในปัจจุบันต่อไปก็ถึงแสดงสองข้อเรื่องใหญ่แล้วท่านสิหานสายเวลาบรดีไม่มีประสบการณ์แล้วสั่งว่าคนสองกลุ่มนี้นะคือข้อความจริงก็ยาวนะฮะหมายความว่าคนทั้งสองกลุ่มนี้ หลังจากตายเพราะกายแตกคือใช้คำชัดมากนะบาลีได้ใช้คำซ้าตลอดกายยศสะเพดาปนามวนาทุกติมินิปาตังในยังอุปจติกายษสะเพดาปรณมาสุกติงสกังโลกังอุปจติคือตายจริงๆตายจริงๆคือตายเพราะกายแตกไม่ใช่ตายอย่างอื่นเอาเอาเออย่างอื่นมาพูดไม่ได้ตายตายตายจริงๆอ่ะตายที่หมดลม คนกลุ่นี้ใครจะบังเกิดในทุ ก, กติใครจะบังเกิดในสุ ก, กติที่เซดาบดีท่านท่านมีประสบการณ์ท่านตอบไม่ได้แต่ท่านก็ใช้ศรัทธาแหละฮะเห็นไหมพอประสบการณ์ไม่มีว่าเราเคยได้ยินได้ฟังมาเยอะ น, นะข้าพระองค์ได้ยินได้ฟังพระหันทั้งหลายท่านกล่าวไว้อย่างนั้น นะกล่าวคนประเภทแรกว่าตายไปแล้วก็บังเกิดในทุกติปิณิบาทนะิในรกรสรกายส่วนอะไรนะเป็นรายละเอียดที่ว่ากันเฉพาะรายเราไปเจาะไม่ได้นะไปเจาะไม่ได้เรือเนี้ยบางทียังแนวนิทานของพอเลียงทิวเลยนะหรือจนว่าเราคิดตรงตัวเกิดไปมันไม่ใช่ถึงก็อย่างนั้นหรอกแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นอย่า ง, ง น, น, ะะานั้นกรรมในลักษณะนั้นแต่กรรมเมื่อไรี่เราไปชี้ไม่ได้ เราไปชี้ไม่ได้ใช่ไหมคนนี้เคยตัดมือลิงแล้วเกิดมาลูกมือขาดมันไม่ใช่ตรงนั้นก็ได้แต่แน่นอนว่าตรเนี้ยป็นเป็นผลบาปได้บาปของใครบาปของลูกไม่ใช่บาปของพ่อนะะบาปของลูกแต่ที่ทําไมมาเป็นลูกของพ่อพวกนี้ก็กรรมร่วมกันเหมือนกับนักเลงสุร า, ปาไปครอบนักเลงสุรานักเลงเรื่องการบานานันดาลก็เป็นเลงสุระเรื่องการบันดาล น, นะพวกเสพยา마ห์ก็พวกยาม마 ก็บอกมีสัญญาณนะบีบแต่รถนี่รู้กันไอ้ปัมม๊มนี่ก็รู้กันนะกีนะ่เม็ดนี่ก็รู้ด้วยนะฮะอันนี้เห็นไหมเห็นไหมเขาสามารถติดต่อสื่อสารกันได้พวกที่ทําผิดกฎจราจรใดๆนี่ฮะตํารวจทางหลวงอยู่ตรงไหนนี่มันส่งสัญญาณกันนะก็ขับรถที่มันรู้หมดเลยรถเมย์รถอะไรก็รู้กันให้สัญญาณไฟยังไงรู้ตรงตรงไหนมีตํารวจทางหลวงทุ่มอยู่นี่ก็รู้กันหมดเห็นไหมพวกนี้พื้นฐานเดียวกันมันจะเกาะกลุ่มกัน แต่กรรมจริงๆเป็นกรรมเป็นกรรมของลูกไม่ใช่กรรมของพ่อหรอกกรรมของพ่อนั้นเป็นกรรมก็เรียกสภาพหรือกรรมผูเดียวกันแต่กรรมของพ่อคื อ, ค, อคือพ่อต้องมือขาดเองดังอย่างนี้แสดงเห็นมันไม่ใช่ตรงตัวอย่างนั้นนะแต่ว่าการกระทำตรงนี้นะการกระทำอย่างนี้จะมีเหตุจะมีผลออกมาอย่างนั้น สนจะออกผลเมื่อไหร่เราไปบอกไม่ได้ต้องพระพุทธเจ้าบอกคือเราบอกไม่ได้โดยเชื่อมโยงจากจุดนั้นไปถึงจุดนั้นไม่ได้แต่ว่าเป็นเป็นพระพุทธเจ้าทรงสแสดงโดยรวมเป็นเครื่องมือในการตัดสินว่าเป็นอัตถานะคือเป็นไปไม่ได้ที่คนซึ่งทําความดีแล้วจะรับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะการกระทําดีของตนถามว่าเดือดร้อนได้ไหมก็เดือดร้อนได้นะเดือดร้อนได้ เพาบางทีคนอื่นก็ทําให้นะคนอื่นก็ทําให้บางทีก็เป็นวิบากกรรมเราก็ไม่รู้เราว่ากันเป็นกรณีกรณีไปแต่ที่แน่นอนว่าผลที่เป็นความเดือดร้อนเป็นผลของความชั่วเป็นอาถานะคือเป็นไปไม่ได้ซึ่งคนทําชั่วแล้วจะมีความสุขความเจริญเพราะการกระทำชั่วของตัวเองถามพวกนี้มีโอกาสเจริญไหมก็เจริญได้ทำไมันม่เจริญได้คนเราไม่ได้ทํากรรมอยู่เฉพาะปัจจุบันมันจะมีเงื่อนไขมีตัวแปร อ, อีกอย่า แต่ถ้าเขาจเจริญเจริญเพราะความดีไม่ใช่เพราะความช่วเพราะฉะนั้นหลักสูตรทำดีได้ดีทําช่วได้ช่วจึงลงตัวนะลงตัวอยู่ตรงเนี้ยทาดีได้ดีทำช่วยได้ช่วแต่ว่าไอ้ดีตรงเนี้ยมันมาจากเหตุดีตรงไหนผลชั่วตรงนี้มาจากเหตุช่วตรงไหนนี่ว่ากันไปได้ๆกรณีกนณีไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอบายทุ ก, กติวินิบาตานรกไม่รู้อะไรอันนึงแหละ นะมันอาจจะเกิดเป็นเปรตอาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเออเปิดสุรกากอาจจะตกนรกก็ไม่รู้แต่ว่าสามอย่างทีนี้ถ้าไม่แรงเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็มีปัญหาเป็นมนุษย์ที่ที่อ่อนด้อยในด้านต่างๆและส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีศรัทธาเป็นทานบดียินดีในการสนับสนุนยินดีในการสนับสนุนเนี่ยให้ลองสังเกตว่าเรายินดีในการสนับสนุน จิตมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันเป็นยังไงเช่นคนเนี้ยเรายินดีในการสนับสนุนเขาสแสดงว่าเรามีความรู้สึกดีต่อเขาเห็นไหมเรามีเมตตาจิตต่อเขาเราไม่เสียดายเงินที่เราสนับสนุนสแสดงว่าขาจัดโลภะได้เพราะฉะนั้นมันจึงจึงจึงตรงกันข้ามกับความตนีทีเดนียวยินดีสนับสนุนจึงตรงกันข้ามกับความคามตนีทีเดียว เป็นจิตที่ขจัดโลภะขจัดโทสะแล้วก็ขจัดโมหะได้ทำให้เป็นทานาบ ด, ดีทำให้ไม่จานิจีเหนียวนะเพราะฉะนั้นทานาบ ด, ดีก็คือตรงเงาข้ามกับการไม่จะนิจิเี่ยมันก็มันก็ชัดอยู่แล้วนะชื่ อ, ช, อชื่อก็ชัดอยู่แล้วผู้นี้จิตใจฟมองแผวก็เห็นชัดอยู่เหมือนกันนะว่าจิตใจก็ฟ่องแผว จีเจก็มีศรัทธาศรัทธานั้นคนเราถ้าเราศรัทธาในใครเนี่ยเราไม่โกรธคนนั้นแสดงศรัทธาก็จัดโทสะได้เรายินดีที่จะให้แก่คนคนนั้นแสดงศรัทธาก็จัดโลภะได้เราไม่หวงไม่เสียดายสักหนึ่งเราแสดงว่าศรัทธานเนี่ขจัดปัจรญญาได้เรารู้คุณของคนนั้นแสดงว่าเรามีปัญญาคือขจัดโมหะได้สิ่งตรงนี้เขาไม่พูดว่าในแง่ปกติเขาเขาจะไม่พูด นะแล้วก็พูดในที่ทั่ ว, วไป ก, ก็ไม่พูดเหมือนกันในหมายความมายาดโยมทั้งหลายนีค้คุณวัดจะวิเคราะห์ให้ดูว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นจิตมีคุณภาพ ร, รักษาคุณภาพจิตตรงนี้เอาไว้ก็ทําให้ตายไปแล้วได้มาเกิดในสุคติสุคติอะไรสุคติมันมีเยอะนะพระพุทธเจ้าใช้คํารวมว่าสุกติงสักกังโลกังอุปปัชติจะเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์สวรรค์อะไรก็ไม่รู้มันรายละเอียดเยอะแล้วว่ากันไปรายรายนะเพราะว่ามันมันบุญมันมีหยาบมีกลางมีายละเอียดแล้วมันมีเกี่ยวข้องขณะจิตที่ก่อจะดับจิตอะไรแต่อะไรมันมีเยอะเลยแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าที่เขาบังเกิดในสุขติเพราะการกระทําความดีแต่ลืมไม่ได้เจาะจงทานอย่างเดียวนะฮะเพราะถ้าไม่ศรัทธาถ้ามีศรัทธาแล้วมันทําความดีได้อีกเกยอะเพียงแต่ว่าท่านปรารเรื่องทานขึ้นมา ทีนี้ประเด็นในการตัดสินปัญหาท่านสีหเสนาบดีต่อมาเป็นพระอาราหารนะันต์แน่ๆต่อมาเป็นพระอาราหันต์มีประสุติเกียรติท่านเยอะที่เกี่ยรติมังสวิรัติอะไรต่ไรเนี่ยท่านก็ปัญหาเรื่องมังสวิรัติมันก็มีปัญห า, าตัาง้งแต่สมัยพุทธกาลแนะ่ๆท่านศีหัตเซนาบดีก็ถามปัญหาในเรื่องเหล่านี้เรื่องพระฉันเนื้อฉันปลาได้หรือไม่อะไรแต่ไรเนี่ยท่ถกถามา แล้วต่อมาก็บรรลุมาผลเป็นประธานเพราะนเป็นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตนะฮะคือเป็นเสนาบดีและในขณะเดียวกันก็สำเร็จอย่างสูงในความเป็นมนุษย์ก็คือบรรลุมคผลเป็นพระธานด้านพื้นฐานการคิดก่อนที่ท่านจะบรรลุมคผลเป็นประธานท่านท่านจึงข่มหมายความว่าตรงใดที่เราควรใช้ปัญญะคือประสบการณ์ตรงเราก็ใช่แต่คนเรามีความจํากัด มีความจำกัดว่าเราปัญญาเราใช้ได้หมดอ่ะเราเก่งขนาดรู้ทุกอย่างมันก็ไม่รู้ทุกอย่างเห็นไหมเหมือนกวีภากันเรื่องเรื่องเรื่องโพลเรื่องอะไรที่ก็มังจริงเจียงกันจริงๆมันมันมั น, ม, นมันไมไ่มีข้อมูลอะไรมันมากมายขนาดนั้นเอาไปตื่นเต้นอะไรอะนะข้อมูลจากหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์โพลว่าประธาหนังสือพิมพ์เสนอข่าวแต่ละวันเนี่ยท่าที่รัฐบาลปเป็นอย่างแล้วสมาชิกของเขาก็อ่านอย่างเงี้ยรับรับข้อมูลอย่างเงี้ย 1>, 1เดือนสองเดือน3เดือนสเดือนมันก็สะสมข้อมูลอย่างนี้ถามมนอย่างนี้ก็ตอบปาอย่างเกี้ที่จริงข้อมูลนันนี้นลักษณะชี้นำโดยไม่รู้ตัวเลยทาไปนั่นก็สสแสดงว่ามันไม่ใช่ข้ อ, อยุติอะไรมันเป็นอารมณ์เฉยๆแต่ท่านศรีหาเซวนาวีท่านแยกชัดมากเราจะเห็นว่าห้าข้อแรกที่ว่าพระอาราหันต์เข้าไปหาประานสงเคราะห์ประานแสดงธรรม มีเกียตรติยศชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมคนนั้นหลายยกย่องเล่าตือข่าวข่าวคราวเรื่องราวท่านคนนั้นดีอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นเทสละอย่งงางนั้นเจ้าือสังคมอย่งงางนั้นเป็นที่รู้จักได้ยินชื่อมานานได้ฟังเห็นหน้าตรงนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะท่านท่านเป็นฐานในบารีท่านเป็นฐานนบบารีถ้ามีโรงฐานเนยอะไปที่ไหนคนก็แห่แห่ให้ความเคารพนับถือพระอราหารันต์กุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าพระหรันทั้งหลาย เป็นประสบการณ์ตรงหมดทั้งห้าข้อไม่ต้องถามใครเลยเป็นสัพพัดตรงแต่มาถึงข้อที่หกกับที่เจ็ดนี่ไม่มันไม่มีประสบการณ์ตรงอะตายไปแล้ววังเกิดในสุกติท่านเป็นทานาบดีท่านท่านก็ระลึกชาติไม่ได้ชาตินี้ท่านก็ยังไม่เคยตายเลยไม่รู้ว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงหรือว่าไม่หลงตาย ไอ้หลงตายก็อีกอะ่ะท่านก็ไม่รู้ว่ามันมันมันจะหลงตายหรือไม่ลงตายเพราะท่านท่านยังไม่เคยตายแต่ท่านตายบนหลังช้างนะท่านนี้ผ่านบนหลังช้างแล้วไม่ได้บวชนะตรงนี้แต่ไม่ได้บวชไปรบไปปราบชายแดนสงบเรียบร้อยมาแล้วก็รับรางวัลจากพระเจ้าแผ่นดินให้เสวยราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ็ดวันฉลองกันเพลินเมาเหล้าฉลองเพลิน หายม얼แล้วก็หายกิเลส ด, ด้วยนะเ ป, นเป็นเป็นคนที่แปลกมากเป็นคนประวัติน่าศึกษาตรงนี้ท่านก็เชื่อพระพุทธเจ้าใช้ความเชื่อพระพุทธเจ้านั่นคือลักษณะบัณฑิตท่านตั้งหลายลองสังเกตกว่าทุกเรื่องเนี่ยพระพุทธเจ้ากำหนดป้าไว้ของเราดีเราไม่ชัดสังคมในี่ชายไม่ชัดคำว่าประชาชนที่จึงไม่ชัด บัณฑิตว่าอย่างไงพระพุทธเจ้าถามบัณฑิตว่าอย่างไรวินญูชนยกย่องสรรเสริญหรือว่ินญาชนตานนี้นี่คือเกณฑ์มาตรฐานเพราะวินญาชนใช้ปัญญาใช้เหตุผลไม่ใช่อารมณ์แต่คนทานเนี่ยมรนดาได้ทั้งนั้นเมื่อวาเนี่ยมาสั่งให้ลูกศิษย์ก็เป็นอาจจะเป็นรองศาสตาจารย์โบช่วยหาบทกล่อมเด็กบทเนี่ยมาจําได้บรรทัดเดียวนะฮะโบช่วยหาย ห, หน่อยสต่อหัวต่อหางให้หน่อย มันด่าคนฮนะด่าคนเดินก้มด่าคนเดินเงยด่าคนเดินปากปิดด่าคนเดินปากเผยเราก็ได้อยู่สประโยคนมช่วยหาหัวไอ้หน่อยเดี๋ยมันมันหัวเนี่มันขึ้นมาอย่างไงแล้วมันลงอย่างไงคือกําลังเอาบทกลอมเด็กของภาคใต้นะฮะมาวิเคราะห์ในเกาะกลุ่มกากลุ่มดูและจะทำเป็นเอกสารหนังสือคือคติชนวิทยาเป็นคติชนวิทยาเป็นนาดเป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจความความควา ม, ความคิดมคิดก้อนไปชน ก็ เ, เริ่มบื้เริมนะฮะเ ม, ามาื่อวานเนี้เรานั่งกันนานแต่ว่ายังหาบทนี้ไม่เจอนั่นคือกระแสสังคมที่ใช้อารมณ์เขาไม่ชอบเข้อก็ะดาษหมดนะแต่เขชอบเข้อก็เชียบทเลยอะไรก็ดีใครไปติงก็แก้ต่างนั่นคือธรรมชาติมนุษย์เพราะฉนั้นตรงนี้ท่านจะเห็นว่าพระเจ้าท่านเสียสลเศาสนาบดีก็ดีทูลเจ้าก็ดีไม่ให้ความสำคัญแก่ ไม่ไม่ได้ใช้คําว่าประชาชนไม่ใช่คําว่าประชาชนเพราะอย่าลือมงคนเด่นคนดังเนี่ยคนที่เสียเยอะเกินมันไม่ใจเกลียดแต่ถ้าคนดีแล้วเขายกย่องสรรเสริพรเจ้าก็ว่าละวินยูวินยูนางภาังสันติวินญูชนยกย่องสรรเสริญไหมนะท่านสยนเสนาบาดีก็ตอบได้เพราะท่านเป็นที่ยกย่องวินยูชนสรรเสริญแต่ถามว่าท่านมีคนเกลียดไหคือมีคนเกลียดเดยอะคนเกลียดเดยอะมากเกลี เมื่อคนเราจะดียังไงก็ตามคนที่เขาไม่ชอบก็คือเขาไม่ชอบนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์พระพุทธศาสนาไม่ให้ความสําคัญไม่ใช้คําว่าประชาชนเป็นเกณฑ์ในการยกย่องหรือการสรรเสริญแต่ใช้คําว่าวิญยาชนต้องฟังวิญญาชนถ้าวินยาชนตนํานี่แม้แต่คนเดียวนี่ต้องฟังลวิญยาชนสรรเสริญแม้แต่คนเดียวก็ฟังได้เพราะวิญยาชนไม่ได้ใช้อารมณ์แต่ว่าใช้กรรม คือการกระทำของคนเหล่านั้นยกย่องสันเสริฐเป็นกระบวนการที่ยุติไดยเหตุผลเพราะงั้นตรงสองข้อหลังคือไม่หลงตายกนตายไปแล้วบังเกิดในสุคติท่านก็บอกว่าข้าพระพุทธเจ้าขอเชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะข้าพระองค์ฟังมานะฟังมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าเป็นอย่างนี้ เรื่องพระเจ้าโกรับปยะที่พูดถึงความไม่ต่างของวันนาสีห้าข้อนะห้าข้อนี่ใช้แนวเดียวกันเลยฮะหมายความว่าพระมหากจายนะบอกว่าวันนาสีไม่ต่างกันหรอกวันนาใดมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยวันนาเดียวกันแล้ววันนาอื่นก็จะเข้าเป็นลูกน้องเป็นพ่อคู่เป็นพื้นผูงของวันนาหล่านั้นวันนาใดที่ประพฤติผิดกฎหมาย ทำบิดอาญาของแผ่นดินวันน้นก็ถูกเจรุงลงโทษเหมือนกันวันนั้นใดทําบาปทําอกุศลตายแล้วไปตกนรกเหมือนกันวันนั้นใดทําบุญทํากุศลตายแล้วบังเกิดในสุคติเหมือนกันวันนั้นใดออกบวชประพฤติปฏิบัติเป็นพระที่ดีก็ได้รับการยอมรับขอ ง, งพระเจ้าชอดเหมือนกันห้าข้อนะห้าข้อนั้นพระเจ้าโกรพญบอกว่าสองข้อสข้อนะฮะสข้ อ, นะขอนะคือหนึ่งวันนั้นใด มีฐานะบางครั้งร่ำรวยวันนะั้นเดียวกันเลยวันนัอื่นเป็นจะเข้าวเป็นพวกพ้องลูกน้องคาถาปริวาลทั้งคนเหล่านั้นวันน้นใดประพฤติผิดในกฎหมายบ้านเมืองก็ถูกจับกลุ่มกุกขั ง, งลงโทษแล้ววันนั้นใดออกบวชประพฤติปฏิบัติเป็นคนที่ดีในรับการยอมรับยอมย่องนักสือจากประชนเหมือนกันท่านบอกตรงนี้ท่านไม่ต้องเชื่อใครท่านมีประสบการณ์ท่านเป็นพระราชาท่านทําอย่างนั้นท่านมีท่านท่านท่านมีความรู้ความเข้าใจอย่างนั้นแต่สองข้อหลัง ทำบาปตายไม่ใช่ไม่แย่สองข้อหลังนะฮะหมายความว่าข้อที่สี่เอ่อข้อข้อที่สามกับข้อกับข้อที่ห้าข้อสามข้อที่สีกกต่ตายไปแล้วไปวังเกิดในทุกติกตายไปแล้ววังเกิดในสุ ก, กติท่านไม่รู้แต่ข้าพเจ้าได้ยินพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งก่า ว, ว่าอย่างนี้เห็นไหมมันจะมีหลักเป็นความคิดที่มีเกณฑ์นะฮะมีเกณฑ์มีหลักมีหลักในการคิด ในการตัดสินใจแล้วก็หาข้อยุติได้เราไม่ได้ใช้ประสบการณ์นิดๆหน่อยๆของเราไปวินิจฉัยเมื่อเราไม่มีประสบการณ์พอเราก็ใช้สัตว์เพราะสิ่งตัวนี้มันมีการสืบต่อกันมามันไม่ใช่วันๆต้องวันนะฮะมันเป็นพันๆปีเป็นข้อยุติข้อยุติลงมาอย่างนั้นทุกทีแต่ถ้าเราใช้ลักษณะทางอารมณ์ตัดสินกันด้วยอารมณ์ตัดสินด้วยความรู้สึกตัดสิกันด้วยกระแสสร้าง ไอ้ผิดถูกผิดชอบชั่วดีนี่ไม่รู้ที่เขาว่าหลักเกณฑ์ก็หลักกูนะความถูกต้องกับความถูกใจไอ้ น, นี่คือเรื่องความถูกต้องนั้นไม่จําเป็นว่าทุกคนต้องถูกใจแต่นั่นคือความถูกต้องสารตัดสินคนติดคุกนี่ไม่มีใครชอบสักคนหนึ่งนะนโทษยังไม่ชอบใจแต่นั่นคือความถูกต้องเพราะฉะนั้นหลักการราคัญในใ น, ใ น, ใ, น, ใ, นในการปรฏิบัติที่ถูกต้องก็คือวันมีกฎปีเกณฑ์ ในการวิเคราะห์ในการตัดสินในการยกยอก่องในการทำนี้งว่าวันนี้ก็ขอจิติไว้ด้วยเวลาเปงนทบ น, นี้ที่สุดนี้ข้อความจะเรื่องงามเผบุญใธรรมจะมีในท่านสาธารชนทั้งหลายโดยทุกกันทุกท่านเือ